ขอน้อมน้อมักุญพระตัตนตรยัยโอกาสเพื่อสถาปนิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีรละญาติธรรมทุกท่านนะก็นั่งตามสบายสบายเนาะวันคืนล่วงไปล่วงไปับัดนี้เราทําอะไรอยู่เนาะอันนี้ก็คืออ่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้บรรบชิตอ่าได้พิจารณาสิบข้อนะก็มีหลายๆข้อ แต่ข้อที่น่าจะสะกิดใจพวกเรา <c oughs> ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบรรมชิตนักบวชหรื อ, อแม้แต่ฆราวาสนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็น่าจะสิ่งนำคำนี้ <c oughs> มาพิจารณาเนาะ <c oughs> วันคืนล่วงไปล่วงไป <c oughs> บัดนี้เราทำอะไรอยู่นะ <c oughs> อย่างถ้าเป็นฆราวาสก็ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไป โดยที่เรียกว่ า, าทำกิจกรรมต่างๆนะซึ่งมันก็นำประโยชน์ให้กับตัวเองก็คื อ, อทำในทางโลกนั่นเองนะให้มีากามกินเกียรติทั้งหลายเหล่านั้นนะแล้วหลังนั้นก็ตายไปแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับภพบนับชาติไม่ท้วนนะี่ยก็คือชีวิตคารวะเนี่ยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะมีแต่เรื่อง <c oughs> การที่ใช้ชีวิตนะอยู่ในทางโลกทั้งนั้นนะกามกินเกลียดนะนะ เ, เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะมีแต่การกินต่างๆการเที่ยวการเล่นนะการทํางานนะการสืบพันธุ์แล้วก็นอนนะชีวิตก็วนอยู่ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะตรงนี้จิตเราก็จะมีกิเลสมากมายนะกิเลสที่มันสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ทั่วแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ดีิาติมันก็ไม่ได้ถูก การขูดกลากิเลสแอย่างใดเนาะกิเลสพวกนี้ก็ยังอยู่ในใจของเราครบถ้วนนะ ก, น ก, น ก, ก็เรียกว่านุสัยกิเลสเนี่ยนุใสกิเลสก็เริ่มเป็นกิเลส ท, ที่ดองอยู่ในสันดานอะ่าคืออยู่ในจิตใจเบื้องลึกเรานี่ยนะอยู่ในจิตใต้สํานึกเรานะมันมีทุกคนเนาะมันไม่ได้ถูกขูดเกลาแม้แต่น้อยนะอันนี้ก็เป็นเชื้อที่ดีอ่านะเป็นเหมือนกับข้าวอ่านะข้าวเปลือกอนะ่ที่ยังมีเชื้ออยู่นะอ่านะมันลงไปในดินนะโดนน้าโดน <c oughs> สิ่งต่างที่สมบูรณ์นะมันก็เติบโตมาได้ครั้งหนึ่งเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจิตของผู้ที่ไม่ได้ขุดเกา่ากิเลสแม้แต่น้อยนะก็จะต้องไปเวียนว่ายใจเกิดนับภพบนับชาติไม่ถ้วนเนาะก็เป็นเรียกว่าการเกิดใหม่ทุกคราวการเกิดทุกคราเป็นทุกลร่าไปเนาะตรงนี้เมื่อเราเข้าใจในตรงนี้แล้วนะเราก็หันมาเปา็นบัติธรรมการนะไม่ว่าเราจะมาเป็นนักปฏิบัติ มาเป็นนัก บ, บวชใดๆก็ดีนะเป็นจุดประสงค์อย่างหนึ่งของการบวชหรือการปฏนบัติธรรมหรือการภาวนาทั้งหลายแหละนะก็คือการขุดเกา่านะกินเหลวในใจของเราให้ลดน้อยลงไปนั่นเองนะตรงนี้เป็นอ่าประเด็นสําคัญนะไม่ใช่มาบวชหรือว่า <c oughs> มาปฏนบัติธรรมเพื่อเหตุอื่นแต่เพื่อที่จะรู้เท่าทันกินเหลวในใจของเรานะแล้วก็ทํากินเหลวในใจของเราให้ลดน้อยลงไปนี่แหละ อ่าคือหนทางแห่งความทุกข์ลัเนาะอ่าถ้าใครไม่มาทําเช่นนี้ก็จะต้องมีความทุกข์นับภูมนับชาติไม่ท้วนอ่าซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเก็ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาชาตินี้เราเป็นมนุษย์แล้วอ่าเกิดไปชาติหน้าจะต้องเป็นมนุษย์เสมอไปนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะจริงๆแล้วคนที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดชาเนี่ยมีมากกว่าอ่านั บ, น, บนับไม่ท้วนนะเ <c oughs> ฉบาะภูมิเดียวนี่สัตว์เดชาเนี่มากกว่ามนุษย์นับไม่ท้วนอยู่แล้ว มากกันเป็นนับไม่ถ้วนเลยเป็นล้านยกกระสงไข่เนาะมันแล้วก็จะนั่งพบภูมิอื่นอีกมากมายนะไปจาสุรกายสัตว์นรกเทวดาพรมเนี่ยเยอะกว่ามนุษย์เยอะนะเพราะการเกิดมนุษย์นี่ก็เรียกว่ายากนะเมื่อเกิดมนุษย์แล้วเราก็ใส่อัตภาพความเป็นมนุษย์นี่แหละขูดเกากเลดให้ได้มันไม่ได้มากก็ต้องได้น้อยนะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรในตรงนี้มันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรในการเกิดมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนาะ <c oughs> ส่วนการที่เราจะขุดเก้ากิเลนั้นทําอย่างไรก็มีในสติปทานสีที่พระเจ้าบอกว่าเป็นหนทางเอก เ, เอกายนมัคโคคือเป็นทางเอกอทางเดินของผู้ที่ต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดเนา ะ, ะคือถบรจะเดินตามสติปทานสี่ท่านบอกว่าใช้เวลานะอาจจะเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีนะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกัน นะก็จะได้บรรลุทาอย่างใดอย่างหนึ่งก็คื อ, อไม่เป็นพระรหันต์ก็เป็นพระอนาคามมนะตรงนี้ก็เป็นหนทางที่เรียกว่ามันก็ไม่ยากนะถ้ายากมันก็คงจะทำกันไม่ไดนะ้เพราะในสมัยพุทธกาลก็ผู้บรรลุธรรมก็มีมากมายนะส่วนเราในยุคนี้เราก็สามารถทำได้ <c oughs> เพราะว่าพระเจ้าก็ได้ทรงตัดไว้แล้วว่าตราบใดที่ยังมีการประธรรมอยูนะ่ผู้ที่จะเข้าถึงธรรม บรลลุเป็นพระรยาเจ้าต่างๆก็มีอยู่นะยังครบถ้วนไม่ได้หายไปไหนเนาะอยู่ที่ว่าเราอาการแรกก็คือเราจะทํำไหมอาการที่สองเราทําถูกทางไหมนะแค่นี้เท่านั้นเองนะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมมันจึงไม่ยากมันยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจจะปริบัติธรรมเท่านั้นเองนะคราวนี้เรา ป, ปริบัติธรรมอย่างไรนะถ้าเราศึกษาให้ดีในพระไตรปิฎกก็พูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่ในการที่ว่าให้ตามรู้กายรู้ใจนี่แหละ อ่านะกายก็ให้รู้อย่างไรนะให้รู้ว่ายืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ ür ür, เดินนั่งให้รู้ น, นั่งนอนให้รู้นอน น, นะก็คือริเอบรอใหญ่ทั้งสี่นี่แหละ <c oughs> อย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ยืนก็เดินไม่นั่งก็นอนนะเราต้องอยู่ในอิเลอิเลบทใดอิเบรดหนึ่งอยู่แล้วนะมันไม่ได้ออกใจอิรลบททั้งสี่เลยนะเพราะนั้นตอนนี้เรารู้ไหมว่าเรากาลังนั่งนะนะกลับมารู้ในขณะไปบ้านนี่แหละกำลังนั่งก็รู้ว่ากําลังนั่งเท่านั้นเองเนาะ เราก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมแล้วนะหรือใครเออตอนนี้มันเกิดจะง่วงนอนขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่าร่วงวง่วงนอนนะไม่ใช่เป็นนอนที่พื้นอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องรู้ทันเออขณะนี้ง่วงนอนก็ต้องรู้ว่าขณะนี้กาลังง่วงนอนนะเรากำลังตลุกตัวตื่นขึ้นมา <c oughs> ยืดตัว ต, ตรงๆนะตรงนี้ก็รู้เท่าทันอความง่วงา น, นอนของเราได้ใช่ไหมหรือบางท่านอาจจะยกมือสร้างอย่างว่าพลิกมือไปมือกระทบกันอะไรเงี้ยก็รู้เท่าทันในขณะนี้ นะด้วยความเป็นจริงนะตรงนี้จิตก็ไม่ได้เลื่อนลอยไปไหนนะนะเพราะถ้าเราไม่รู้ตัวในขณะ น, นี้จิตก็จะเลื่อนลอยไปในอารมณ์ต่างๆนะไปทางความคิดบ้างนะไปทางตาทางหูต่างๆบ้างนะมันก็ไหลไปมันก็กลับมานะแค่เรากลับมาเท่านั้นเองนะมันก็คือการบัทำแล้วนะเราไปห้ามเขาลอยไปไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามตาห้ามหูไหลไม่ได้นะห้ามไม่ได้หรอกใช่ แต่ว่าเรารู้ทันไหมนะรู้ทันแล้วเขาก็กลับมาเท่านั้นเองนะเขาไม่ไปไกลแต่เรารู้ไม่ทันเขาก็ไปยาวเหยียดเลยบางทีกลับบ้านไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตลอดนะไม่ได้กลับมานะแต่พอเรารู้เอขณะนี้คิดปุ๊บมันก็กลับมาแล้วเนาะเนี่ยกลับมาแล้วก็กลับมาอย่างไรนะกลับมารู้สึกตัวนะง่ายๆแค่เนี่ยกลับมารู้กำลังทําอะไรอยู่กําลังนั่งกําลังขยับมือกําลังฟังแค่นี้เองเนาะเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ปฏิบัติธรรมแล้ว ตอนนันพรเจ้าก็เลย <c oughs> ให้ต่อมาให้รู้ในสัมชัญญะาต่างๆนะว่ า, าเหลวซ้ายแลงขวาเลินหน้าถอยหลังนะคู่แขนเหยียดแขนดื่มกินพูดคิดดื่มลิ้มกินเคี้ยวทรงจีวรสังคติ อ, อุจฉะปัสวะก็ให้รู้ตัวในขณะนั้นว่ากำลังทำอะไรอยู่นะก็คือให้มีสติมีสัมชัญญะา มีความรู้สึกตัวในขณนะนั้นว่ากำลังทำอะไ ร, รยอยู่เท่านั้นเองนะกลับมารู้ในปัจุบันธรรมนี่แหละว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะว่าจะต้องไปประบติธรรมในป่าในเขาในถ้ำต่างๆซึ่งเราในยุคนี้ก็คงหายากเนาะเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้เท่านั้นเองนะมันเป็นเรื่องของชิวจำบันเราอยู่แล้วมันไม่ได้ออกจากชีวจำบันเราเลย และอย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงแสดงตรงนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่า จ, จะต้องไปปฏิบัติที่วัดอที่สํานักปฏิบัติใดๆแต่ว่าให้ทุกคนนี่แหละอยู่กับตัวเองอยู่ที่ไหนก็ได้ะที่มีกายมีใจก็ปวิบัติธรรมได้ทุกที่แม้แต่อยู่ในบ้านเราะหรืออยู่ในที่สถานที่ใดๆก็ทําได้ทุกแห่งเนาะเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละตรงเนี้ยวันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะ เราบอกว่าไม่รอไปวัดก่อนนะไปสํานักปฏิบัติก่อนแล้วค่อยปฏิบัติอันนั้นเราก็ไม่ถูกต้องนะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเร า, าปฏิบัติได้ทุกที่นะใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดนันะก็คือทุกวันเราก็ทําตรงนี้อยู่แล้วนะอันนี้เราก็จะได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นฆร า, าวาสญาติโยมนะต้องมาหาเวลามาวัดแล้วค่อยปฏิบัติทำอันนั้นเงินก็น้อยไปเพราะเราปล่อยให้เวลาล่วงไปล่วงไปโดยที่ไม่มีประโยชน์เราก็ทําทุกที่นั่นแหละ อยู่บ้านอทําการทํางานไปเดินเที่ยวอทุกแห่งเราก็ทําได้ทั้งหมดเนาะอืตรงเนี้ยเราก็เรียกว่าเราไม่ไม่เสียเปรียบคนอยู่วัดใช่ไหมนะเราก็ทําได้ด้วยความเข้มแข็งนะอยู่ที่ว่าเราจะทํำไหมอย่างที่ว่ากายประทับไม่ยากยากที่ว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองเนาะคราวนี้ถ้าเราตามรู้กายรู้ใจนะมันก็มีคําว่ารู้ใจอยู่ด้วยใช่ไหมนะรู้ใจก็คือในจิตตา นุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือในสติปัฏฐานสีก็คือกายเวทนาจิตและธรรมนะคราวนี้ในเรื่องจิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเนาะพระเจ้าก็บอกว่าจิตมีราคะก็ให้รู้มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้มีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะ จิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมัน่นจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตฟุง้งนซะ่านก็คือรู้จิตตามที่เขาเป็นจริงๆนะขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นในใจเรานะเราโกรธนะเราลาคาลมุดกิเรารู้ทันไหมนะตรงนี้เท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจิตมีราคะก็ทําให้หมดราคะจิตมีโทสะก็ทําให้หมดโทสะแต่ว่าเรารู้ตามความเป็นจริงในขณะนีนะ้จิตมีอะไรเกิดขึ้นนะมีความเบือ่อก็รู้ว่ามีความเบือ่อ มีความโกรธก็รู้มีความโกรธมีความไม่ชอบก็รู้ว่ามีความไม่ชอบมีความรักก็รู้มีความรักรู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปจัดการอะไรเขาแค่เรารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะมันก็ที่ฟังทำเมื่อวานที่รพระอาจารย์ไปสารแสดงทำเนี่ยนะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆก็พอแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเขา แ, แสดงความจริงอย่างในวาระบังคับก็ไม่ได้เขามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนี่ยมันจะเกิดปัญญาในตรงนี้เนาะ <ith> แ, ต <clicks> <c oughs> แต่ถ้าเราไปจัดการเขามีความกลัวก็จัดการาให้เาดับไปทันทีมีความคิดก็จัดการให้เขาดับไปทันทีมีความไม่ชอบใจก็จัดการให้เขาดับไปทันทีอันนี้มันจะเป็น ต, ตัวเราไปจัดการเขาได้นะมันจะมีตัวตนของเราว่าไปจัดการเขาได้ถ้าจัดการแล้วก็ดับไปจริงๆแล้วจะมีตัวเราว่าเราเก่งนะเราทำได้เราวิเศษนะเราเราเราดีแล้วนะเราบังคับบัญชาเขาได้นะเพราะนั้นตรงนี้ความเป็นตัวตน <c oughs> เราก็จะเกิดขึ้น แเราอย่าโตโตไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเรารู้เฉยๆนะเราลองรู้เฉยๆนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรานะเรารู้เฉยๆได้ไหมนะรู้เฉยๆเราจะเห็นว่าสภ า, าวธรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือนะเขาจะตั้งอยู่ไม่ได้นานนะเขาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปอย่างแน่นอนนะอันนี้เราจะเห็นสภาวธรรมที่เกิดแล้วก็ดับนะอันนี้จะเห็นภัยรักษณนะ์ความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปจัดการกับเข า, าเขาก็ดับเขาเองนะเพราะนั้น อความเป็นตัวตนเราก็ไม่เกิดขึ้นในตรงนี้แต่เราก็สามารถสังเกตได้ว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนะเข้ามาเพียงชั่วคราวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้จิตก็จะเริ่มไม่ยึดติดเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดามาแล้วก็ไปไม่ตัวไม่ตน ไ, ไม่สักบุกคคลตัวตนเราเขาตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากในการเจริญปัญญาต่อไปเนาะเพราะนั้นการที่เราเห็นสภาวะจิต ต่างๆนะเป็นสิ่งที่ดีนะเราจะเห็นในสภาวะทำรรที่ก็ไม่เที่ยงเข้ามาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับบังคับบัญชาไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะแม้แต่ความคิดเรายังไม่รู้เลยว่านาทีข้างหน้าจะคิดอะไรน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปปฏิบัติธรรมแล้วเราสามารถเข้ามาเห็นความคิดได้จะได้ประโยชน์มากนะก็คือเราเริ่มต้นด้วยทางกายให้ชัดเจนก่อนเข้มารู้รู้สึกตัวอ่าก็เรียกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะ เราดูกายนี่แหละเราก็เห็นจิตก็คือเราเรารู้ที่กายนะเราไม่ได้ไปคอยดูจิตนะบางคนเนี่ยไปตั้งใจดูจิต น, นั่นก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าคนที่ดูจิตไม่เป็นก็จะไปเพ่งไปจ้องไปคอยดูว่าจะคิดอะไรอันนั้นจิตก็จะแข็งก็จะทื่อก็จะซึมนะอันนั้นไม่ใช่การดูจิตที่ทแท้จริงนะก็คือเราไม่ได้ไปยุ่งกับจิตแต่เราก็มาดูกายแทนนะดูกายแทนมีการเคลื่อนไหวก็รู้การเคลื่อนไหวไปเดิน ยกมือสราอ้างว่าหรือว่าทํานู่นทํานี่ก็ดูกายไปแต่ในขณะเดียวกันที่เราดูกายมันก็เป็นการดูจิตนในตัวอยู่แล้วเพราะเมื่อเมื่อกายเมื่อใจมีอมีความอเรียกว่าสิ่งหรือว่าวิวหารธรรมก็คือเครื่องรู้อยู่ของกายเราก็จะเห็นจิตเขาทํางานได้ด้วยโดยที่เราไมา่ไปเพ่งเขาเนาะก็จะเห็นความคิดต่างต่างตามความเป็นจริงนะเขาคิดเราก็แค่รู้ทันเท่านั้นเองนะอันนี้เขาเรียกว่าดูกายเห็นจิต หรือเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นความรักความโกรธนะอันนี้ก็เรียกว่าดูกายเห็นจิตนะหลังจากนั้นเราก็จ ะ, จะดูความคิดได้นะความคิดเราก็เห็นธรรมความคิดเห็นธรรมธรรมก็คือสภาวะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะของทุกๆอารมณนะ์ทุกๆความคิดเหล่านั้นนะเห็นธรรมก็คือเห็นความจริงนั่นเองว่าเข้ามาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นนักตาในตรงนี้นะเขาเรียกว่าเห็นธรรมนะการเห็นธรรมก็คือเป็นเห็นให้เกิดปัญญานะเห็นปะไติรักแลหลังนั่นจีก็จะหลุดพ้นนะพะเกิดความเบื่อหน่ายใครกําหนัดเนาะตรงนี้มันเป็นจุดประเด็นที่สําคัญเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กายมันก็จะรู้ใจไปในตัวนะใจเป็นสิ่งที่รู้ไม่ยากอยู่แล้วนะเราก็สังเกตได้บ่อยๆเอเขาก็คิดไปเรื่อยๆนะคิดไปวันหนึ่งก็คิดตั้งเยอะยะ แต่ความคิดก็มีอยู่2อย่างนัคือการตั้งใจคิดนะการตั้งใจคิดก็คือเราคิดเรื่องการงานเรื่องต่างๆที่เราต้องตั้งใจคิดอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้หลงไปนะส่วนความหลงคือเราไม่ได้ตั้งใจคิดอันนี้มันจะคิดบ่อยมากนะตรงนี้เราสังเกตได้บ่อยนะสังเกตเออมีความคิดเกิดขึ้นแล้วนะเราก็ไม่ไปให้ค่าเขาไม่เข้าไปในความคิดเราก็ไม่ห้ามความคิดด้วยนะวิธีหลงคาเทียนที่ท่านบอกไว้ก็คือให้เห็นความคิด ไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดนะตรงเนี้ยเราก็จะเข้าถึงธรรมะได้นะเห็นความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้นะแล้วก็ไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ทำได้เหมือนกันนะเพราะเมื่อก่อนนั้นมีความคิดปุ๊บเราจะเข้าไปในความคิดคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดต่อไปนะเรื่องสองเรื่องสามคิดต่อไปแล้วเราก็ไม่รู้เราไปช่วยเขาคิดอีกเนาะไปปรุงไปแต่งนี่แหละเราเข้าไปในความคิดนะ แต่ว่าการที่เราเห็นความคิดนะพอเราเห็นปั๊บเราก็รู้ทันเราก็ไม่เข้าไปในความคิดได้ใช่ไหมมันสําคัญว่าเรารู้ทันความคิดไหมนะเราห้ามความคิดไม่ได้หรอกแต่เรารู้ทันก็ไหมนะพอเรารู้ทันเราก็ไม่เข้าไปในความคิดก็คือไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับความคิดก็เป็นแค่ดูความคิดเฉยๆนะดูก็ทํางานไปดูก็ทํางานไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะตรงเนี้ยจิตจะตื่นตัวขึ้นมาตรงนี้เลยนะถ้าเราเห็นความคิดครั้งหนึ่งนะจิตจะตื่นตัวขึ้นมาครั้งหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเห็นความคิดได้บ่อยๆจิตมันจะตั้งมั่นนะตั้งมั่นได้เร็วนะก็คือมันจะรู้เนื้อรู้ตัวจิตตื่นรู้ในตรงนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามความคิดหลงมาเทียมบอกว่าไม่ห้ามความคิดเนี่ยยิ่งคิดยิ่งรู้นะเพราะมันคิดปั๊บเรารู้ทันนะจิตตื่นมาครั้งหนึ่งคิดหลายๆครั้งเรารู้ทันหลายๆครั้งจิตไม่ตื่นตัวนะมันจะเป็นผู้ผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่จิตตั้งมั่นนะรู้เนื้อรู้ตัวตรงเนี้มันจะ ดำเดนินวิปัสสนาได้ต่อไปนะต่อไปมันก็จะเริ่มเห็นรูปเห็นนามต่อไปนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กลัวความคิดนะเราก็สังเกตตรงเนี้ยจิตจะตื่นตัวนะตรงนี้ถ้าใครสังเกตตรงนี้ได้นะจิตจะเริ่มตื่นตัวแล้วนะจะรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตจะตื่นตัวมาทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งคือเราไม่เอาความสงบนะความสงบก็คือเราไปตั้งใจที่จะรู้นานๆประคองตัวรู้รู้ต่อเนื่องยาวๆ อ น, นั้นคืออทําให้จิตสงบแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนกับควบคุมก็ได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวได้แต่นั่นเกิดจากการบังคับควบคุมเข า, เาแต่ความจริงเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขานะเหมือนกับการมาทําจริงๆก็คือเรารู้ตามที่เขาเป็นอไม่ใช่ให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะถ้าให้เขาเป็นไปตามเราต้องการเราจะไปบังคับควบ ค, บคุมเขาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว เ, าเราจะไปคอย ประคองตัวรู้ต่างๆเนาะออันนั้นก็เรียกเป็นสมถะหมดเลยนะแต่เรารู้ตามนี้ก็เป็นก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเขาก็คือรู้เฉยๆนั่นแหละอะไรเกิดขึ้นก็ได้ก็รู้เฉยๆไปไม่บงับงคับไม่ไปกดข่มเขาไม่ไปยุ่งกับเขารู้ไปตามความเป็นจริงะจะดีจะชั่วก็ได้นะขณะ น, นี้จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในใจเราก็ได้มีความโกรธความเกลียดความมิจฉาความพยาบาทก็ไม่เป็นไรอันนี้คือความจริงในใจเราต่างหากเนาะ เราก็แค่รู้ไปเห็นดูไปดูตามความเป็นจริงรู้เฉยๆไม่แทรกแซงก็เห็นสภาวะที่เขาเกิดแล้วก็ดับไปเห็นสภาวะที่เราบังคับเขาไม่ได้อันนี้มันมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะไปบังคับเขานะการที่เห็นบ่อยๆนั่นแหละเราจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ตัวไม่ตนเราอย่างแท้จริงนะเพราะว่าจริงๆแล้วจิตทขาแสดงอาการหลายๆอย่างที่เราบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วนะเราเรารู้แล้วว่าอความโกรธไม่ดีนะเป็นต้นะความโกรธไม่ดีความมิจฉาไม่ดี แล้วมันทำได้ไหมนะทำให้เขาหมดความโกรธได้ไหมหมดความมีชฉาได้ไหมใช่มมันก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบังคับเขาไม่ได้นั่นเองนะมันเป็นภาวะหนึ่งที่เราจะต้องเห็นว่ามันแยกกันระหว่างใจและอารมณ์ต่างๆเนาะถ้าเราเข้าใจว่าอารมณ์คือใจใจคืออารมณ์อันนั้นคือเข้าใจผิดเนาะเพราะว่าอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามาปรุงแต่งใจนะเหมือนกับเป็นแขกมาเยือนใจเรา อืใจนี่เหมือนกับเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็จะมีแขกมาเยือนนะมีความโกรธความรักมาเยือนถ้าเราไม่ให้ค่าเขาเรารู้เฉยเฉยเขาก็ไปเขาก็อยู่ในใจเราไม่ได้นะแต่ถ้าเราไปให้ค่าเขาไปต้อนรับแขกไปเลี้ยงดูปูเสือแขกเขาก็จะอยู่กับเรานานๆเขาก็จะมาบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะรู้ทันก็คือรู้รู้จักแขกรู้ทันแขกนะเขาก็จะไปของเขาเองนะไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแต่อย่างใด มันต้องแยกให้เห็นว่าอารมณ์ก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งเพราะนั้นอารมณ์จะเข้ามาปรุงแต่งจิตบ่อยๆนะเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นของแปลกปอมเข้ามาในใจเรานะเราก็เป็นผู้ดูของแปลกปอมเหล่านี้เข้ามาดูเข้าในลักษณะเป็นแขกไม่ใช่เรานะต้องดูให้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราโกรธเรารักเราชางังเราอิจฉาเราเกลียดนั้นเป็นตัวเราตลอดแต่เราดูมันก็เราดูแขกคนหนึ่งกามาเยี่ยมเรา อเป็นของแปลกปลอมเข้ามาในใจเราเท่านั้นเองนะเขาก็ไปเพราะก็อยู่ไม่ได้หรอกเพรอเราดูก็เป็นอถ้าดูไม่เป็นเขาก็อยู่ในใจเรานานนานนะเราก็มาบ่อยๆด้วยน <S <S เนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้มันก็เราก็จะไม่ทุกข์จากความทุกข์ทางใจอเพราะเรารู้เท่าทันแล้วว่าอสภาวธรรมทุกอย่างนะคือความบกพร่องทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องของใจไม่ใช่ของเราเนาะเราจะแยกเป็นผู้ดูอ่ะเป็นผู้ดูนะ ตรงนี้เราก็จะเห็นสภ า, าว่าธรรมที่เป็นแค่นามที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่จิตใจไม่ตัวไม่ตนเห็นกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราการเคลื่อนไหวของกายก็ดีการเดินจงกลมการสร้างยังหวะหรือการทํานู่นทำนี้ก็เห็นว่าเป็นแค่กายเราก็มีหน้าที่เป็นผู้ดูเท่านั้นมันก็แยกจากกันนะและเมื่อใดที่เราไม่รู้เราก็เป็นตัวเราทั้งทั้งหมดนะก็คือเราเดินเรานั่งเรานอนเราดื่มกินพูดคิดเราสร้างยังหวะ ต่างๆมันยังเป็นตัวเราะแต่พอเราแยกมาดูมันก็เห็นเอามันแค่กายมันทํางานเท่านั้นเองนะมาเป็นผู้ดูเขาะมันมันเป็นการแยกแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแยกธาตุแยกขันย์แยกรูปแยกนามนะตรงนี้เราก็เห็นไม่บ่อยนะในสุดก็จะแยกให้เราเห็นจริงๆว่าตรงเนี้ยมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ว่าเราเป็นผู้ดูผู้รู้เท่านั้นเองไม่ยุ่งเกี่ยวเนะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเหะืันที่เรามาตั้เคสนว่าเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะ แต่สมัก่อนถ้าเราไม่เป็นไม่มาปฏิบัติธรรมก็จะเป็นพูดเป็นตลอดเป็นผู้รักผู้ช่างผู้โกรธผู้เกลียดผู้อิจฉาผู้ผึงห่วงเป็นตัวเป็นตนเราขยมากระทบไม่ได้นะฮะนนั้นเป็นเป็นเป็นความเข้าใจผิดนะเพราะฉนั้นอย่างที่เราสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันนะบอกว่าอสัพเพสังฆาราอนิจจาสัพเพสังฆาราทุขาสัพเพธรรมานัตาก็คือกายและใจนี่แหละมัน ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ตนนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงในตรงนี้นะถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วมันก็เป็นหนทา ง, างความพ้นทุกข์ Pizza! ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเรามีแต่ความเที่ยงมีแต่ความสุขอันนี้มันไม่พ้นทุกข์แน่นอนนะเพราะ น, นี้คือความไม่จริงนะเมื่อเราไปยึดความไม่จริงแล้วจิตจะไม่เกิดปัญญาอแต่ถ้าเราไปเข้าไปเห็นความจริงนะอเห็นความจริง ก็คือเห็นมันไม่ได้ไปคิดเอานะแต่ใหม่ก็อาศัยคิดได้แต่ต้องอาศัยการเห็นนี่แหละเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาบ่อยๆนะต้องเห็นบ่อยๆในสุดจิตก็จะเริ่มเข้าใจอ่าในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาไม่ตัวไม่โตนนี่แหละก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มไม่ยึดติดนะเพราะจริงๆแล้วกายและใจเนี่ยเขาแสดงอพระไตรลักษณ์ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาแสดงความไม่เที่ยงบ่อยๆนะ <c oughs> เราไปบัตธรรม บางวันก็รู้สึกปฏิบัติธรรมดีนะมีสติกับทั้งวันอวันต่อมามันก็ไม่ค่อยมีสติมันก็หลงไปกับทั้งวันเหมือนกันอันนี้ถ้าเราอเราบางคนนะก็มีความทุกข์มาเมื่อวานเราดีวันนี้เราไม่ดีเรามีความทุกข์จิตมันตกแล้วเราปฏิบัติไม่ดีแล้วทำยังไงมันจึงจะดีทุกๆวันะมันทําไงจึงจะดีถาวรตรงนี้คือความทุกข์อันนี้คือตัณหาในการปฏิบัติธรรม ตัญหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นในการบัตรธรรมเราก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าเราเห็นมตไตรักเราเข้าใจเมตไตรักเราก็จะเห็นว่าเออมันก็ไม่เป็นไรนะเมื่อวานมันดีวันนี้ไม่ดีมันก็ไม่เป็นไรเพราะก็แสดงเมตไตรักให้เราเห็นแล้วว่าเราบังคับเขาไม่ได้เนะตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นยาในตรงนี้เลยะคือมันต้องเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆแล้วมันต้องจิตมันต้องสรุปได้ว่าตรงเนี้เราบังคับเข้าไม่ได้อ่เขาจึงไม่เที่ยงเราเห็นเนะ มันเป็นหนทางแห่งการเกิดปัญญาะคือแทนที่ไปบัติแล้วไม่ไดีจิตเราจะตกต่ำจะมีความทุกข์จากการบัตรทำนะมันกลับพลิกเป็นปัญญาขึ้นมาเห็นเลยว่าเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้เขาจึงอ่าไม่เที่ยงเราเห็นเนาะตรงนี้การที่เราจิตมันเข้าใจตรงนี้บ่อยๆนะมันจะเห็นในภาวะที่มันไม่ตัวไม่ตนของเราจริงๆนะมันทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้เราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นนะ หิวก็เป็นไปตามเหตุตามบัจัยง่วงก็เป็นไปตามเหตุตามบัจัยเบื่อก็เป็นไปตามเหตุตามบัจัยโกรธก็เป็นไปตามเหตุตามบัจใจรักชังเกียดอิจฉาริษยาถึงห่วงก็เป็นไปตามเหตุตามบัตใจคำว่าเป็นไปตามเหตุตามบัจใจก็คือมันเป็นไปตามปฏิจจสมบาตนะคือเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นเกิดผัสสะขึ้นหูได้ยินเสียงใจนึกคิดนี่คือเกิดพัสดะ ในกายใจเมื่อกระทบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายยนาภายนอกคือรูปรถกลิ่นเสียงผลพยาธรมะลมมันก็จะเกิดเวทนาคือความชอบความไม่ชอบอต่างๆเหล่านี้เป็นต้นน ะ, ะความชอบความไม่ชอบเป็นเกิด ใ, ให้ตัณหาคือความธะญยานอยากตัณหาก็จะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติทานคือความยึดติด นะความยึดติดอุปทานก็เป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ต่างๆตามมานะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไปตามกระบวนการของเป็นติดจสมษุบัติก็คือความที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการละกันนะเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้เหล่านี้เราไปยุ่งเกี่ยวเข้าไม่ได้นะมันจะต้องไม่กระทบนะจะต้องไม่เกิดเวทนามันไม่จําเป็นอยู่ที่ว่ามันเ้าเกิดแล้วเรารู้ทันไหมรู้ทันไหมว่ามันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเราจัดการก็ไม่ได้ มันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เราเป็นผู้ดูเขาเท่านั้นเองนะเพราะเมื่อเราเป็นผู้ดูแล้วเนี่ยเขาจะดำเนินต่อไปไม่ได้นะเขาจะหยุดกระบวนการเหมือนกับความโกรธนะเราไปหยุดความโกรธไม่ได้หรอกแต่เราแค่เป็นผู้ดูเท่านั้นเองก็จะไปหยุดกระบวนการความโกรธได้หยุดกระบวนการความรักได้หยุดกระบวนการอิจฉารริษยาต่างๆได้เพียงแต่เราเป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะไม่ไปจัดการอะไรกับเขาเป็นแพทยหรือที่คุณบาอาจารย์บอกว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนั่นแหละ กระบวนการทั้งหมดก็จะหยุดเลยนะตรงนี้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาในการเห็นกระบวนการต่างๆนั้นเกิดระดับตามความเป็นจริงนะหลังนั้นที่เราเห็นสภาวะธรรมต่างๆเกิดระดับตามความเป็นจริงบ่อยๆมาแล้วก็ไปบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละจิตก็จะเกิดการอละเกิดความเบือ่อความนายการคลายกำหนัดะหลังนั้นจิตก็จะเกิดการหลุดพ้นค่อยๆปล่อยค่อยวางสภาวะธรรมต่างๆนะจิตมันก็จะเป็นอิสระในภายหลังเนาะ นี่แหละคือคนทางแห่งความพ้นทุก์ในการประธรรมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอว่าเราจะต้องนิพพานในชาติหน้าเนาะหรือชาตินุน้นๆนนะหรือแม้แต่พระศีอริยะเมตไตรอันนั้นไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่เมื่อไร่ชาติหน้าไปเกิดไปอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ปัจจุบันนี้เรามีการเกิดมนุษย์แล้วนะกายมนุษย์นี้สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้เนาะไม่ต้องไปรอชาติหน้าเพราะว่าการเกิดมนุษย์นี่เป็นของยากแล้วก็ผู้ที่ไม่มีบุญจึงมาเกิดปมนุษย์แล้วนะ เพราะนั้นก็ใส่ตรงนี้นะดําเนินให้ถูกต้องมันเดินให้ถูกทางนะตรงนี้มันก็ไม่ยากในะชาตินี้เราก็สามารถบรรลุธรรมได้ดทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบาลมีคุณพระรัตนตรัยน้อมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้เร็ ว, รวพันทุกท่านเทอ